พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลเป็นตลาดแห่งมรรคปุนิภานสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าผู้ไม่ปฏิบัติ ถ, ถือเครื่องรก็สักด์สิ์ว่าถือไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เรายึดไปแล้วไปปฏิบัติตามควรจะได้ขั้นใดภูมิใดก็ขึ้นอยู่กับแรงบังชาของเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอย่นี้ผลจะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมา โดยลำดับลำดับเหมือนครัง้งพุทธการไม่ผิดอะไรกัน